คุณสรญญามา ก, ก่อนเป็นไงภาวนาเป็นไงตอนนี้เวลานั่งแล้วมันจะเป็นมันจะมีเป็นสงบส่วนแล้วมันก็มีส่วนแค่ดีแล้วนะ <c oughs> คือเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นว่าความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไปธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็สงบอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหว กระทั่งในเวลาที่กิเลสมาความเร่าร้อนเกิดขึ้นที่มีธรรมชาติอีกการหนึ่งที่เย็นเย็นอยู่ข้างในมันเย็นเยนะ็นสงบมันสบายอยู่ข้างในท่นะามกลางความเร่าร้อนท่ามกลางกิเลสนะมันยังอยู่ได้เลยปฏิบัติมนาะถึงตรงนี้ก็จะเห็นนะเราจะเห็นในความเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปนะเหมือนยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นอกๆนะธรรมชาติอีกการหนึ่งอยู่ต่างหากนะ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 ทางใครทางมันนะคมอีกนึงคือไอ้ตัวสงบเนี่ยเหมือนจะกวันบางวันบางวันเนี่ยถ้ามันรู้สึกเหมือนมันวงหน่วงหรือมันมันหนักมีอะไรค่อยุกางรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยเป็นเดิอะไรเงี้ยไปถูกแล้วถ้าเมื่อไรไปจงใจดูจงใจกำหนดจงใจปฏิบัติมันจะหน่วงหน่วงขึ้นมาของปลอมไปเปลี่ยนเลยอ่าเปลี่ยนเป็นระยนทิ้งไปเลย นะเขาก็ดีไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะไปดูใหญ่ตัวไหนหน่วงหนวงแล้เสียัหมดเลยนะโดยจะเข้าโยโย่นะได้ยินใครเขาทํากรรมฐานอะไรโย่ก็จะเอาไปเข้าทุกงานอนะ่ะโยเลยดีแล้วก็เสื่อมดีแล้วก็เสื่อมไปด้วยไงวงโปหายยังดีขึ้นเยอะยังไม่หมดนะยังเหลืออยู่มีเหลห็กอ่ะ วางไงดูได้บ่อยไหมกิเลสเกิดรู้ไวัเพิ่มไหมได้ดีแล้วแต่ยังรู้ตัวไม่เต็มที่นะ้ํานยังตื่นไม่เต็มที่ แ, แ, ลแล้วอย่าไปขี้เกียจสิมีเจตนาไม่อยากรู้อีกอ <c oughs> มีแต่เขาอยากจะรู้กันทั้งนั้น <c oughs> แต่ว่าธรรมชาติของจิตธรรมดานะ <c oughs> อย่างหลายคนอะ่ะ <c oughs> ให้จเจริญสติไปแล้วบอกไม่เอา มันยังอร ե ศอ่อยกว่าโลกอะ ե ศอร็อยอเออยคยเป็นไนหะขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยนะเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะใครดูเรานะเรือแล้วมีความสุขปฏิบัติแล้วมีความสุขนะไม่ได้ปฏิบัติให้มันทุกข์มากกว่าเก่าเพราะชีวิตมันก็มีความทุกข์มากอยู่แล้วไปปฏิบัติทำแนละ้วให้มันทุกข์เยอะกว่าเก่าเนี่ไม่ไม่เอาไหนเลยนะใครตอบไปใครมาต่อไป คุณหมอเชิญข้าดีตอนนี้มีความรู้ตัวเนี่ยมันคือมันก็มันจะมีความคิดพักหนักบางทีก็แยกได้หรอกแต่าคิดมันนำอะไรมาอ่ก็ได้นะเพราะว่าหลวงปู่ดูลเคยสอนเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดบาธทีก็อาศัยการคิดเนี่ยทำให้รู้ขึ้นมาว่าไปคิดแล้ว ก็จะตื่นขึ้นมานนก็เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นคนเป็นอย่างนี้ก็เยอะอยาตามรู้ตามดูไปนานๆมันชักซึมๆเกิดฉเฉลียวใจคิดขึ้นมาเอ๊ะมันรู้ไม่รู้อะไรเกิดรู้ทันว่าไปหลงคิดก้านะวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยคือเมื่อไร่เรารู้ว่าหลงคิดนะ่ะเมื่อนั้นเราจะตื่นเพราะงั้นความคิดจะเกิดขึ้นก่อพอความคิดมันเกิดแล้วเรารู้ว่ามันไปหลงคิดเราก็จะตื่นขึ้นมา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 อย่ยตอนนี้คุณหมอไปคิดแล้วทราบไหมแค่รู้ทันอย่างเนี้แล้วมันจะตื่นเมนะื่อรู้รู้ว่าจิตไปคิดเราก็จะตื่นแค่นี้เองการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาจนชำนิชํนานาญนะสุดท้ายมันเหลือสองนันเองเหลือรู้กับเผลอเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้เราเผลอไปมันก็ represent อ ก, กุศลตัวรู้ก็ r พ p r e s e n t กุศล ในที่สุดก็จะเห็นว่าทั้งกุศลทั้งอ ก, กุศลจะเกิดระดับทั้งหมดเลยแ้่เราจะเรียนคล้ายๆเรียนแบบมีตัวอย่างมีเทสตันที่แทนที่เราจะต้องเรียนสภาวธรรมทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเลือกตัวอย่างนะคล้ายๆเอาตัวอย่างของการปฏิบัติบางอันนะมาใช้ก็พอแล้วตัวอย่างของรูปบางอย่างตัวอย่างของนามธรรมาบางอย่างแค่รู้ตัวอย่างศึกษาตัวอย่างนี้แจ่มแจ้งก็จะเข้าใจทั้งหมด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 อย่างรูปที่ประกอบเป็นร่างกายเนี่ยในตำราเรียนน้าหนูจะรู้ประกอบด้วยยี่สิบแดรูปถ้าเราเรียนยี่สิบแรูปแล้วประสาทชินเลยเยอะไปไม่ต้องเรียนยี่สิบแปรูปหรอกเรียนรูปอันเดียวก็พอเช่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นรูปที่เรียกว่าวินยัตติรูปรูปเคลื่อนไหววินยัตติรูปรูปอย่างเดียวหนึ่งใน28เท่านั้นเอง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 ใจ แ, แอบไปคิตเรารู้ไวๆก็แล้วกันแค่นี้พอรับรองพอแน่นอนนะไม่ต้องเรียนเยอะหรอกเรียนเยอะอย่างนั้นหนูเรียนเยอะเรียนเยยุ่งเยอะนะอ้าส่งขันบ้านหนูรู้สึกว่าการเดินตรงๆนะคะหรืการนั่งสมาธิมันเหมือนกับการฟูฟื้นใหเราจิตมธรรมใช่ใช่ เลยก็รู้เองใช่ใช่ใช่ใช่ อ, อ่ใช่ น, ใชนะอย่างนั้นนะถูกแล้วแต่ว่าไม่ใช่จงใจอยู่กับวิหารธรรมะแต่เราจารที่เรามีตัวตั้งไว้ตัวหนึ่งเนีเพราะมันคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เราตั้งไว้มันก็จะรู้ชัดนั้นเรามีวิหารธรรมคือมีเครื่องอยู่ของจิตอันหนึ่ง จิตคลาดเคลื่อนไปก็จะเห็นชัดแต่ว่าเราไม่ใช่เอาวิหารธรรมเนี่ยมาเป็นคุกขังจิตเอามาเป็นแค่เครื่องหลรึกเท่านั้นเองเครื่องหลึกเครื่องอยู่อย่างเครื่องอยู่ก็เหมือนกับอยู่บ้านเวลาเรามีธุระเราออกจากบ้านได้ตลอดเวลาเพฉะนั้นจิตนี่จะเคลื่อนไหวทำงานตามธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าอยู่แบบคุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกนักปฏิบัติชอบหาอารมณ์มานึงมาบังคับให้จิตนิ่ง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 ยังพยายามไม่ให้ออกจากรั้วบ้านเลยไม่ถึงกับ ก, บกำแพงคุกนะแต่เป็นรั้วบ้านก็เป็นรั้วปโปร่งะนะแต่ยังมีรั้วนะวอยู่อับไหมตอนนี้เผลอแล้วรู้สึกไหมขนาดจิตนี่เผลอแล้นะเริ่มทําละรู้สึกไหมเริ่มตระครองแล้ ตรงเนี้ยเนี้ยคือรู้ว่าโปร่งๆที่ว่าตรงที่ยังประคองไว้อาใครมาต่อใครทีมที่สามเนี่ยจะว่าไม่ยุติธรรมเอากลุ่มที่สามกลุ่มที่สามไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วเล่เาเองนะคุณกบเชิญจิตเป็นไงช่วงนี้จิต พยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเดินจงกรมอะไรเงี้ยมีประโยชน์นะพยายามทํากรรมฐานที่คนะคเคลื่อนไหวกรรมฐานเคลื่อนไหวเนี่ยทำแล้วดีกว่าสรรมาฐานนิ่งๆินะ่งกรรมฐานนิ่งๆิ่งทำแล้วมันจะเคลื่อง่ายหลงง่ายนะเพราะนั้นเราทำกรรมฐานเคลื่อนไหวจนร่างกายเรากระดุกกระดิกเราค่อยรู้สึกนะถึงเราไม่มีเวลาไปเดินจงกรมแต่เวลาเราเดินป ะ, ะเกียเราก็ค่อยรู้สึก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 ดวกไหมมีโมหแะแทกนะดีแล้วีแล้วที่เห็นมีโมหะแทกนิดหน่อยนะบางๆอ้าวอาจารย์หมามาทั้งปูทั้งตูเลยวันนี้อ้าวสองคนจะเรียกศัพท์กันด้วยเลย <c oughs> อ้าวอาจารย์อาจารย์รยตูอ้ <c oughs> อาวก็นะกิเลสัน่แต่ว่าเศร้าหมองมันหมอง มันมัวมัวมีเห็นอะไรนะมืดกับความสว่างเออนั่นแหละดูเป็นงั้นก็ได้นะมืดก็ไม่เที่ยงสว่างก็ไม่เที่ยงธรรมะที่เป็นคู่คู่เรียนรู้ธรรมะที่เป็นคู่คู่จนเหมือนพ้นจัดธรรมะที <st uff em Tro> ่เป็นคู่พ้นเองนะ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 อย่างความพอใจก็ไม่ได้เจตนาพอใจนะ <_ d ata> เขาก็พอใจของเขาเองนะ <_ d ata> เขาจะไหล <_ d ata> เขาก็ไหลของเขาเองดูกไหมเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เขากำลังสอนธรรมะเราแต่เรายังไม่ยอมรับเรายังอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากบังคับให้ได้ของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้มันสุขเห็นไของบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้ใจเรายังไม่ยอมรับธรรมะนั้นต้องรู้ตอไปอีก รู้ไปจนกระทั่งมันยอมจำนวนะนะหมดภูมิปัญญาที่จะต่อสู้เลยนะเรียกว่าสู้จนหมดแรงอะ่ะพอแน่นอนเพราะโลกนี้ไม่ใช่สุขแน่นอนเพราะงั้นรู้ไปนะรู้ไปรู้จนกระทั่งหมดแรงดิ้นคนไหนจิตมีกำลังมากดิ้นมากก็ทุกมากหน่อยต้องทรมานนะทุกจนกระทั่งจิตเป็นเข็ดขยาด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 มันดือ้อต้องทรมานพระเจ้าเคยสอนบางคนการฝึกคนเนะี่ยท่านบอกเหมือนกับฝึกมา้าม้าบางตัวเชื่องจิตบางคนเนี่ยอ่อนโยนเชื่องม้าอย่างนี้ท่านก็ให้กินหญ้าให้กินก น, น้ําให้อะไรนะให้พักผ่อนเยถึงเวลาพาไปวิ่งก็ฝึกได้ดีม้าบางตัวพยศมากให้อดน้ดําอดหญ้า พาไปจากกรรมจนเป็นเข็ดขยดะเราเลือกไม่ได้นะจิตของเราอะมันจะเป็นม้าดื้อหรือมันจะเป็นม้าเชื่องเลือกไม่ได้หรอกไม่ยอมมันไม่ยอมเพราะงั้นมันต้องสู้กันไปจนสุดฤทธิสุดเดชถ้าใจถึงก็สู้ไปวันหนึ่งก็พ้นใจไม่ถึงเจอความทุกข์เข้าเข็ดขยดะบางคนเข็ดนะบวกไม่ปฏิบัตินะมาเห็นจะทุกข์ขนาดนี้เลยมาปฏิบัติทำไมทุกข์ขนาดนี้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 จิตมันดื้อจิตมันดื้อเห็นไหมตัวจริงเราไม่ค่อยดื้อนะจิตมันดื้อเห็นไห ม, ไ ม, หไหมอ๋อเหรอหลวงพ่ออุตสาห พ, พูดเอาใจอ <t> ่า <c oughs> แต่พอมันทุกข์มากนะให้ดูอย่างนี้นะดูที่ใจใจเนี่ยไม่เป็นกลางนะงั้นพอมันทุกข์มากๆให้รู้ทันที่ใจที่ไม่เป็นกลางเขพอใจเป็นกลางนะทุกข์แค่ไหนก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย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 ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกตัวไหมขณะจิตนี้ อ, นนนอ่าคุณเขารู้ทันไปนะ <c oughs> เดินแค่ไหนเหรอมีธุระจะเดินเราก็เดินแค่นั้นแหละเ <c oughs> รามีธุระจะนั่งเราก็นั่งแค่นั้นแหละ <c oughs> มีธุระจะนอนก็นอนแค่นั้นแหละนี่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็เอ็กซ์ไซส์เดินไปเดินมาเส้นไหวไว้แก้เสื่องซึมนี้เดินก็เดินเพื่อจะคอยรู้ใจตัวเอง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 มันจะเอาให้ได้มันเอาไม่ได้การปฏิบัติทำไม่ใช่มุ่งที่จะเอาให้ได้ไม่ใช่มุ่งที่จะทำให้ได้แต่มุ่งเรียนเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้หรอกกายนี้ uca, ใ, นใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติว่อยากให้จิตนี้มีความสุขถาวร อ, อยากให้จิตนี้ดีถาวรเราก็จะดิ้นไปเรื่อยๆทายังไงก็ทาไม่ได้หรอก มันจะดิ้นไปจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงว่าทำไม่ได้หรอกตรงที่มันยอมรับความจริงนี่มันจะวางปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือจิตความพ้นทุกข์เกิดขึ้นเพราะปล่อยวางความยึดถือขนันความพ้นทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ใบบังคับของไม่เที่ยงให้เที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้สุขของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้ความไม่รู้ของเรานี่แหนะทาให้เราต้องดิ้นรนฝืนธรรมชาติ จิตเป็นของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์อยากให้เป็นสุขเพราะฉะนั้นความพ้นทุกข์ไม่ใช่เกิดจากการฝึกจนมันดีถาวรมันสุขถาวรความพ้นทุกข์อยู่ที่เราไปเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงนะว่าขันห้าเนี่ยไม่สุขหรอกไม่ดีหรอกนะวางลงไปก็พ้นทุกตรงนั้นรับใดที่ยังเห็นว่าจิตนี้เป็นเรานะอยากให้จิตมีความสุขก็จะต้องดิ้นไปเรื่อย คนโง่ก็ดิ้นอย่างโง่โงคนฉลาดก็ดิ้นอย่างคนฉลาดคนโง่ดิ้นยังไงคนโง่อยากให้จิตนี้มีความสุขดิ้นหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองให้จิตเรียกว่าดิ้นหากามคูณอารมณ์มาตอบสนองมันดิ้นไปหวังว่าได้อารมณ์ที่ดีแล้วจะมีความสุขแต่เมื่อมีตาเมื่อมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเนี่ยมันไม่สัมผัสเฉพาะอารมณ์ที่ดี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 ถ้ารู้แจ่มแจ้งนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์ได้พระโสดาเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเฝ้ารู้เข้าดูต่อไปอีกมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดทิ้งมันจะคลายความยึดถือเหมือนแต่เดิมสมมติเรารู้เราไปหยิบบางอันนึงขึ้นมาเรารู้สึกนี้ของดีของวิเศษของเรานะเราห่วงวันหนึ่งหันมาดูนี่เป็นเป็นยิ่งคือเว็นไส้เดือนเลยเนี่ยมันจะกว้างทิ้งจิตนี้เหมือนกันนะเราจะยึดถือจิต ผู้รู้ของเราไว้อยากประครองอยากรักษาจิตให้ดีสาวนนะ่ะวันหนึ่งเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวดีหรอกมันตัวทุกข์จะวางพอวางแล้วความสิ้นภาระก็เกิดขึ้นพระเจ้าสอนขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปเนี่ยเขาไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระรยะเจ้าวางของหนักลงแล้วนะไม่ไปหยิบฉวยของหนักขึ้นมาอีก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 มันหลีกเลี่ยงการกระทบแล้วเข้าสมาบัติท่านสูงไม่เป็นแค่้ายๆนอนหลับไปเงี้ยหมดความรู้สึกไปนะก็มันพ้นพุกไปชั่วคราวแค่ชั่วคราวนะคนมีปัญญาก็ไม่นอนใจต้องสู้นะไม่สู้ก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะสติเกิดขึ้นเองละคนทั่วๆไปสติยังไม่เกิดขึ้นเองแกล้งทะเลทลายได้แกล้งไม่ปฏิบัติได้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 ไม่มีใครนะลอยฟ้ามาตรัสรู้ไม่มีหรอกนะมีแต่ล้มลุกคลุกคลานมาทุกคนนะ่นะทําไมเขาผ่านได้เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเหมือนกันนะเยฝึกอบรมใจสอนใจให้มันแข็งแรงนะอย่าท้อแท้นะพอใจแข็งแรงเข้ามาคราวนี้จะโดดเข้าสู้ครั้งใหม่นะสู้จนสบับกสบอมนะหมดเรี่ยวหมดแรงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจใจมันยอม โอ้ไม่ใช่ตัวเรานะบังคับไม่ได้จริงจริงสู้ไปช่วยไม่ได้ <c oughs> ตัวใจตัวมันนะอาจารปูรู้เรื่องอยังจิตเป็นยังไงอาจารปูขนานี้ <c oughs> รู้สึกไหมยังไม่รู้ตัวยังไม่ตื่นนะ <c oughs> โอ้ตับ ถ, ถูกใจหลวงพ่อมากเลยในโลกไม่มีคนตื่นหรอก ไม่ใช่แกล้งว่านะบางคนนึกว่าหลวงพ่อแกล้งว่าแกล้งตำหนิแกล้งรับไม่ได้แกล้งว่าเลยพูดกัน ซ, ซื่อเลยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกน้อยคนหรอกที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อใดเห็นสภาวะธรรมตรงความเป็นจริงนะเมื่อนั้นถึงจะรู้สึกตัวอาจารย์สุจินสอนเ่องเนะี่ยอาจารย์สุจินบริหารวันอาทิต์อย่าเพิ่งรีบปฏิบัตินะหัดรู้จักสภาวะไป แต่เขาเรียนปริยันะเขาเรียนสภาวะจากปริยัติเราเรียนจากของจริงนะเช่นใจลอยไปรู้ว่าใจลอยทันทีที่รู้ว่าใจลอยก็จะตื่นขึ้นมานะโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธก็จะตื่นขึ้นมาคอรู้ไป ร, รู้สภาวะไปนะส่วนเราจะตื่นขึ้นตอนนี้ยังไม่ยอมตื่นนะวันนี้วันนี้ฝนมันตก